วา่ากิเลสก็ดีทาก็ดีไม่มีใครสามารถจะรู้โทษและคุณของกิเลสและธรรมเพราะไม่เคยสนใจคิดไม่เคยสนใจคนขวานางพระพุทธเจ้าจักสรู้ขึ้นมา แต่พ ร, ระองค์นั่นแลคือท่านผูกคน้นพบเรื่องกิเลสและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจจักรโลกทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเพราะใจเป็นผู้จะสัมผัสรับรู้เรื่องของกิเลสและธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตนและจะเกิดขึ้นกับตน พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งที่มาตรัสรู้ก็คือมาค้นสิ่งที่เป็นภัยให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้ว่ามีอยู่ที่ใจของทุกคนแต่ไม่สามารถรู้เท่านั้นทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมเพราะงั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้จึงขึ้นมาจึงปรากฏว่ากระเทือนทั่วทั้งโลกฐาน เพราะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการที่จะค้นพบสิ่งที่เป็นโทษก็ดีสิ่งที่เป็นคุณก็ดีสิ่งที่เป็นโทษหนักที่สุดก็คือกิเลสสิ่งที่เป็นคุณมากที่สุดก็คือธรรมแต่ไม่มีสรรพโลกรายใดจะสามารถเจาะเสียงหาหรือค้นพบในสิ่งทั้งสองนี้ได้มีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้น จึ่งจดสรุปถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆเป็นวักเป็นตอนพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ล้างมือคอยเปิบเท่านั้นวิธีการทุกอย่างในการที่จะละสิ่งที่เป็นโทษซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจของตนและในการที่จะบาเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจของตน พระพุทธเจ้าท่านทรงนแนะนำพร่ำสอนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแล้วเรื่องกิเลสก็แยกประเภทเออกาให้เห็นอย่างชัดเจน อ, อ ก, กิเลสประเภทใดมีแสดงอาการลักษณะอย่างไรขึ้นมาที่ใจและออกมาทางกายทางวาจากิเลสประเภทใดแสดงออกมาในแง่ใดมีลักษณะอย่างไรซึ่งมีกายวาจาและใจ เป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเดินออกมาของกิเลสและธรรมทั้งหลายพราะพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้หมดทุกแหน่ทุกหุมเราชาวพุทธทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ล้างมือควายเปิดเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงวิธีการทุกอย่างไว้แล้วไม่ยากอะไรนะเพียงจะนําอุบายของท่านมาอบรมสั่งสอนตนเท่านั้นกฎ หรือเป็นความลำบากแล้วก็เป็นมนุษย์ที่หมดหวังเฉพาะอย่างยิ่งพระเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วก็เรียกเป็นผู้หมดหวังไม่มีผลที่จะพึได้ถ้าเหตุไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรผลก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุเป็นแดนเกิดหองผลทุกประเภท เราบำเพ็ญไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอที่เหตุจะสมบูรณ์ได้หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องที่จะให้ผลปรากฏขึ้นมาโดยลาดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ได้เียงเหล่านี้ที่กล่าวเหล่านี้เราอยากไปตําำนิจเตียนพุ้นผู้ใดเพราะเราเองเป็นผู้จะประพฤติปฏิบัติขุดค้นให้รู้ทั้งฝ่ายโทษและคุณซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเอง ให้รู้ให้เข้าใจไม่มีผู้อื่นใดจะมาประพฤติปฏิบัติตนเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดไปได้นอกจากเราเพียมคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตนให้พากันเข้าใจอย่างนี้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายอย่าทรงจิตไปอื่นนอกจากเดือนดังแห่งกิเลสและทาทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ สัจธรรมนั้นมีทั้งภายนอกภายในมรรคก็มีได้ทั้งภายนอกภายในแต่สรุปลงแล้วสัจธรรมภายในตัวของเหล่านี้เป็นสิ่งที่รับรองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จะให้สัจธรรมได้เกิดขึ้นเช่น ส, สมุทัยก็เป็นสัจธรรมประเภทนี้ให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจทุกข์ซึ่งเป็นสัจธรรมประ ประเภทหนึ่งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทยัยก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมุทัยเป็นผู้ขิดงานขึ้นมากน้อยเพียงไรผลคือความทุกข์จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเองโดยไม่ต้องไปถามใครปะะัจจุบันใจเราจึงเป็นภาชนะที่รับรองสัจธรรมไว้ทั้งหมดทั้งดีและชั่วอยู่ภายในจิตใจโดดเดี่ยวนี้ทั้งนั้นคือทุกข์สมุทยัยมีเรียกว่าสัจธรรมฝ่าย ละฝ่ายถอนมัรกนิโรธเป็นฝ่ายบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจดวงเดียวกันนี้ใจจึงเป็นเรือนรังแห่งสัจธรรมทั้งสี่ประเภทนี้แต่ที่เราต้องการอย่างยิ่งก็คือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ให้มีกำลัง มัคคปฏิปทาเครื่องดําเนินหรือทางดําเนินท่านพูดแล้วลงแล้วในธรรมทั้งหลายจากธรรมทั้งหลายว่ามีแปดประการด้วยกันมีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับธรรมทั้งแปดประการนี้รวมแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปาทาธรรมแปดประการนั้นคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประ ได้จากความฉลาดรอบคอบันเรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสามประเภทนี้ก็เรียอย่างรมักรวมตัวเหมือนกันคือการทำงานชอบการพูดชอบการเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพียนชอบตั้งสติไว้ชอบสมาธิคือความสงบใจด้วยความชอบธรรมรวมสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่ามัตต์ปฏิปทาหรือเรียกว่ามัตติ ม, มาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ใจ พอถอนกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี้ออกได้โดยไม่มีเหลือไม่เนาะกิเลสทุกประเภทไม่มีอำนาจนอกเหนือไปจากมัคคัพิยทาหรือมัชฌิมานี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศสอนเป็นจกักคีทั้งห้าครึ่งเป็นปฐมโอวาทเรียอว่าปฐมเทศนา ขึ้นโดยเมฆพิเครีอันตาประบาจทิเกนั้นในเสวิตตะพาโรใจยังการมีสุขการมาสุขานิการนิโยโกรที่โนโกมโมปุติิโกนนยโยนาตั้งมีโตเป็นตนะ้นทางสองแยกการมาสุขัน น, ข น, น, ขนิกาการมาสุขันนิการมาสุขันนิการนุโยทําความลําบากแ ต, ต่ตนเปล่าเล่าไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนั้นไม่ไม่ใช่ความเหมาะสมของการแก้ที่เหล็ก ทาตนหมักมมอยู่ในกามไม่คิดเาะแสวงหาทางออกหาทางหลีเลี้ยงหลีกเลี้ยงจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะประสบพบเห็นนกักปุญญภานได้ไม่เป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การบัรฑุธรรมอัตติกิรมัฐานิยโย ก, การประกอบผลทรมานตนต่อเก่าโดยว่ามีสติปัญญา เพื่อแฝงในการที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทนั่นก็เป็นความลมาปเปล่าไม่ใช่เป็นวิธีการฝึกฝนอันเหมาะสมที่จะให้กิเลสุดซ่อยวักไปจากใจได้เลยดังนั้นท่านก็ว่ามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตณอริสัมบูถายจักกรรัญญานักริีมรปสมายาปิญญาญาสัมบูธายานิบานายจสร้างวัตติ ยกมัชชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างหนึ่งในการปราบปรามพิเดธทุกประเภทขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลยตัดชะลุกัเพราะอันนี้คุณยังไงแต่ทําเหล่านี้เป็นไปเพื่อาย า, ญญาเพื่อจักจุรานเพื่อวิชาเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆ่างถึงยาดังวัธถุปานิวิชาวัธถุปานอโลปุโอดุปานอย่างนี้เป็นต้นความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมัชชิมาปฏิปทานนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นสอนอย่างนี้ สัสอนอย่างอาหารเพราะท่านทรงปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุได้ทั้งผลเป็นที่พอพระไถยนำมาสั่งสอนบุญแต่ว่าขีทั้งห้าท่านเรียกว่าอาริยสัจจะทมทั้งสี่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรยกมัชฌิมาขึ้นเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่แล้วคำมัชฌิมาปฏิปทานนั้นอยู่สถานที่ใดเวลานี้ อยู่ในคัมภีร์บาลานก็เป็นชื่อของธรรมชื่อของมัชฌิมาปฏิปทาชื่อของปัญญาชื่อของศีนชื่อของสมาธิไม่ใช่ตัวสมาธิที่แท้จริงชื่อของกิเลสประเภทต่างๆกิเลสไม่ใช่กิเลสอันแท้จริงมีแต่ชื่อตัวกิเลสจริงๆทุกประเภทมีอยู่ที่หัวใจเราตัวมัชฌิมองค์มัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้นก็อยู่ที่ ใจของเราเองที่ผลิตขึ้นมาให้เองเพราะฉะนั้นจงอย่าลืมธรรมะที่การสอนตามตำหลับตำรานั้นชี้เข้ามาหัวใจของสัตว์โลกที่ทั้งนั้นไม่ได้ชี้ไปไหนเลยท่านจดจารึกเอาไว้เพื่อให้รู้แนวทางที่จะเข้ามานำเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจของตนซึ่งถูกที่เดือดหยายย่ำทำลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดิเดินนั่งนอนตลอดพบตลอ ด, ลอดชาติเลื่อยมาไม่มีที่เงื่อนต้นเงื่อนปลาย กิเลสอยาท่านทำลายอยู่ดังนั้นให้ย้อนนำธรรมนั้นเข้ามาสู่จุดนี้จุดที่เป็นสงครามกันอยู่เวลานนี้ได้แก่ระหว่างปิดกับกิเลสกับถ้าเราตั้งใจปฏิบัติก็เรียกว่ากัรทมแต่แย่งเอาสมบัติอันล้นค่าคือใจมาเป็นสมบัติของตนก่อนหน้านี้กิเลสได้ทุกประเภท ได้เป็นเจ้าของครองจิตใจเป็นวัตจักรมาเป็นเวลาหนานท่องเที่ยวในวัตะสงสารพบน้อยพบใหญ่สับส น, บนปนเปจนเจ้าของเองไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ากี่พบกี่ชาติชาติหนึ่งหนึ่งได้เคยเป็นเกิดเป็นอะไรได้รับความอยู่ความทุกข์ความลำบากลาบนแค่ไหนมั่งเจ้าของเองไม่มีทางทราบได้ทั้งทั้งที่เจ้าของเป็นตัวการแห่งความท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายนานแสนนาน เรื่องกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจพาให้สัตว์โลกหลายม้วนเวียนเปลี่ยนแปลงอ ย, ยททู่เช่นนี้ทํานจึงเรียกว่าวัตจักรคือหม้นไปเวียนมาอยู่เชนั้นนี่จิตถูกกิเลสเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอานาจครอบงําจึงเป็นเหมือนกับนักโทษในเรือนจําไม่ผิดเลยมาได้อยู่โดยอิสระเสรีแม้แต่เวลานี้นอนก็กิเลสบังคับอยู่นั้นตื่นขึ้นมาก็กิเลสบังคับ นับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเวลาเราหลับกิเลสก็สงบตัวเรียกว่ากิเลสหลับพอเราตื่นกิเลสก็ตื่นพร้อมกันนักตื่นเรื่อยความโลภความโกรธความหลงแสดงออกมาตั้งแต่ขณะตื่นนอนที่แรกสัญญาอารมณ์ต่างๆที่จะเป็นเครื่องทำลายจิตใจให้บอกจำ <c oughs> ให้ฝุ่นหมัวมีอยู่ตลอดกาลมีเ ร, เรื่องๆของกิเลสทั้งนั้นทํางานอยู่บนหัวใจ ทีนี้เราจะพยายามผักวิเลนประเภทต่างๆซึ่งเคยครองหัวใจนี้ออกแล้วจะเพื่อทำทั้งหลายจะได้เข้าครองจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุดวิเลตครองหัวใจให้รับได้รับความทุกข์ความทรมานมากทั้งพบเก่าพบใหม่เกิดแล้วเกิดล่าตายแล้วตายเลาเต็มไปด้วยความทุ ก, กข์ความกรมานหาความสุขความสบายไม่ได้เลย นี่เราพยายามจะเอาทำเข้าครองใจเพื่อความล่มเย็นเป็นสุดสงบสุขภายในจิตใจของตนาโดยธรรมจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นทางเดินอันถูกต้องเหมาะสมโดยที่พระพุทธเจ้าทรงกระทาไำเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อบกพร่องเสียงเรียกว่าเราเป็นผู้ล้างมือเปิดแล้วใจอาจหยิบยื่นเข้าใส่ปาง ถึงจะเคี้ยวจะคืนก็คินไปมือล้วงเข้าไปในบาตก็ถือว่าเป็นความลําบากลำบนจะเคี้ยวจะคกกืนอาหารก็ถือเป็นความลําบากลำบนคนคนนั้นก็คือคนกําลังจะตายนั่นเองหมดคุณค่าหมดราคาแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมก็เปรียบเหมือนกับอาหารที่ปรุงไม่เรียบร้อยแล้วจะหยิบยกขึ้นมาฤ ป, ปฏิบัติ ต่อตัวเองเท่านั้นก็ยังหยิบยกมาปฏิบัติไปแล้วเราหาคุณค่าจากอะไรตัวของเราเองมันหมดคุณค่าไปแล้วการประพฤติปฏิบัติอันใดก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นชิ้นเป็นอันมาได้เลยเมืตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านความหมดแอซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าเหยียบย่ําทําลายแม้เดินจนกลมนั่งสมาธิก็ไม่พ้นที่กิเลสจะตามเข้าไปเหยียบย่ําทําลายทําทั้งหลายที่ตนกําลังจะบำเพ็ญนั้น กิดแส่สายไปตามอารมณ์ของกิเลสนั้นเสียสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินจงกรมก็เดินไปด้วยอารมณ์ของกิเลสนั่งสมาธิก็นั่งเพื่ออารมณ์ของกิเลสเลยมีแต่กิกริยาที่นั่งสมาธิเป็นกิริยาที่เดินจงกรมจิตใจกับสติไม่สัมผัสสัมพันธ์การพร้อยรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่อ ง, ร, ร, องรู้ราวของอัดของธรรมอย่างไรบ้างเลยดังนี้ผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนานั้ น, น, นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากิเลส ยังสวมลอยสวมลอ ย, ย, อ, ย, ยอยู่ตลอดถ้าเราไม่แยกแยกเิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมให้เป็นสักเป็นฝ่ายเป็นรักเป็นตอนกันในขณะที่ประกอบความเขียนด้วยความมีสติตัตถเราจะไม่หวังได้มีความอิ่มตัวภายในจติตใจเลยหถึงเดียวกับคนรับถ่านนั่นแหละหรือว่องมือลงไปในหม้อก็ในถ้วยในจานก็เห็นเป็นความลําบากแเอามารับทานก็จะเคียวจะปินก็ลําบาก ถือว่าเป็นความลำบากคนนั้นคือกำลังคนจะตายหมดคุณค่ า, าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายก็ไม่ทํางานสุดท้ายคนนั้นก็ต้องตายต่อตไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนการทำคำพุูดเจา้าที่ทรงบัญญัติไว้ประทานไว้ทุกเนี่ยทุกมุมเราจะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับการรับทานเพื่อให้ความอิ่มอกอิ่มใจมีความสงบเรื่องเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการปฏิบัตินั้นเราก็ทําไม่ได้แล้วเราก็หมดคุณค่า ไม่มีทำภายในใจพอที่จะเข้าไปครองใจได้เลยตอนี้มิจเจะปล่อยให้เสด็จมันเอาไปเข้าตลาดไหนก็ไม่รู้มีสมควรนะหรือแจเราผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิอดผู้ประเสริฐที่สุดตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวตรก็ทรงธรรมให้เห็นแล้วแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามีแบบอ่อนแออ่อนแอท่อถอยที่ไหนบ้างเราเคยเห็นไหม ในตำหนักํำลาตาดัลั้วพระไทยออกก็จนจะไม่ไม่มีพระทายติดพระองค์ไปเลยความห่วงใ ย, ยอะไรทุกจริงทุกอย่างในความเป็นกษัตริย์บริษัท บ, บริวารแต้ฟ้าประชาชนมีมากมายขนาดไหนทรงตัดออกักนหมดชิ้นเหมือนกับตัดกั่วหัวใจนั่นแหละขายาพระวงค์ก่อนนีพ้าชายาพระรา ช, ชโอรสก่อน สมบัติเงินทองเครองของไฟฟ้าประชาธิปทั้งหลายด้วย้นตั้งแต่เป็นบริษัทสมบัติบริวารของผู้ใครจะไม่รักใครจะไม่ ห, มห่วงแหนการสเสด็จไปเช่นนั้นไม่เหมือนกับการตัดขั้วหัวใจยังเหลือไปแต่ล่างจะเรียกว่าอย่างไรสมมาะสมดีนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงทําให้เป็นตัวอย่างเป็นอันดีอยู่แล้วมีเวลาเข้าทรงออกทรงผนวดแล้วก็รับความทุกข์ความทรมาน เพราะการบริโภคลําบากลําบนความเป็นการจัดตกลงไปสู่ความเป็นคนขอทานก็เหมือนกับเราตกนรกลงตกจากสวรรค์ลงไปตกนรกนั่นเองลําบากลําบนความเป็นอยู่ฟูวาที่อยู่ที่อาศัยส่วนใช้ไม่สอยไม่มีก็องค์ไม่สนพระไถ่สิ่งใดนอกเหนือไปจากทำที่สมมุ่งหวังอย่างเต็มพระไถยนั้นเท่านั้นจึงต้องคงเสียสละอย่างเต็มที่เต็ฐานความทุกข์ความลําบากในการประกอบ ความผาผวนไม่ถือว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงแต่มุ่งอัดมุ่งทำคือแดนแห่งความจัดะลูเพืจะเป็นาศาสดราสอโลกด้วยความรู้แจ้งแห่งจริงของตนก่อนแลว้วนั้นเป็นสิ่งเทพระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งถึงขนาดสลบสลไยไปทั้งสองสาห ม, มื่นนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นปฏิปทาปติเครื่องเตินใจของชาวเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเต้าหล่อคอของพระพุทธเจ้าเราไม่ยึดสิ่งตัวนี้มาเป็น พุทธังสนังกาฉาี้เราจะเอาอะไรเป็นพุทธังต้องยึดทั้งปฏิปทาเครื่องดาเนินของพระองค์ด้วยยึดทั้งคุณสมบัติพระคุณธรรมของพระองค์ที่บริสุทธิ์พุทธของนั้นด้วยมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกิตใจของเราก็าจะมีกําลังวังชาในการประพัติปฏิบัติไม่ทอดต้อยอ่อนแอะให้กิเลสหยียบย่าทําลายอยู่ทุกขณะอิจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ใช้ไม่ได้เลยการต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับการต่อสู้กับขาศึก ไม่เขาก็ต้องเราต้องตายการต่อสู้กันบนเวทีก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็ต้องบอกช้ำ ม, มากกว่า น, นั้นก็ตายถูกคู่ต่อสู้นอกเอาตายก็ได้แต่เมื่อได้ขึ้นบนเวทีแล้วตายก็ต้องตายต้องเอาให้สุดเหยียดที่เดียวรติกําลังวางชาความสามารถมีขนาดไหนทุ่มลงให้เต็มแมตต์เต็เมหัวจนกระทั่งถึงวาะสุดท้ายไม่ตายแล้วค่อยลงมาจากเวทีได้ชัยชนะหรือแพ้ก็ทราบกันตรงนั้น นี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเวลานี้เราได้ก้าวเข้าสู่เวทีแล้วคือแดนแห่งนักบวชอันเป็นแดนแห่งความทรงหังอันเป็นแดนแห่งความว่างอันเป็นแดนแห่งความเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสําหรับเราซึ่งเป็นนักบวชทั้งหลายถ้าไม่ตักตวงเอาในขณะนี้แล้วจะประตัดตวงเอาเวลาไหนก็มีเท่านั้นโลกสงสารดุ่งเหยิงวุ่ น, ว, นวายไปทุกหย่อมยาเขายัางอุจจาหะสนัก วัตถุสิ่งของเงินทองจะถุกกระจายแทนทานทั้งสี่มาบำรุงบำเลอผููผู้บุรุต่างใจผู้ปฏิบัติเราไม่เห็นขั ด, ข, ด ข, ขัดข้องขัดเขินอะไรบรรดาปัจจัยทั้งสี่คือกีวรบินกบาทเสนาธนะที่อยู่ที่อาศัยปัดแล้วก็ขี่านเพศสัตย์าแคร่โรกเกียรยก็เห็นเต็มไปหมดไม่มีการบกพร่องนอกจากระบบข้องในความเพียรของเราที่จะเป็นทหารชั้นเอกดังพระพุทธเจา้าที่ทรงผ่าดำเนินมาแล้วเท่านั้นเราไม่ ซ่อมแซมในสิ่งที่บกพร่องนี้เราจะซ่อมที่ตรงไหนเราออกแนวรบแล้วต้องสู้ไม่ตายให้รู้ไม่รู้อาตายนั่นจึงชื่อว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบหลบนั่นหลีกนี้ไม่ใช่เป็นจิตปราคาคตปราคาคตเอาไทยธนะในสงครามนำมหาสมบัติมาประกาศสอนโลกจนมาตั้งถึงทุวันหนึ่งกี่ปีมาแล้วดูสิหมดไม้ย 2,500 กว่าปีแล้วยังไม่หมดรสชาตินังดื่มดาซึ่งถึงจิตถึงใจผู้ปฏิบัติอยู่เสมอพวกเรามีความรู้สึกตัวอย่างไรบ้างที่มาบวชในศาสนานนิเลสมันอยู่ทุกซอกทุกมุมอยู่ทุกขณะแอบอยู่กับจิตกับใจถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพิจารณาหรือต่อสู้ขัดขืนกับมันจริงๆแล้วก็เหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นเอง ไม่มีคุณสมบัติติดตัวเลยคุณสมบัติจะติดตัวได้ด้วยความเป็นด้วยความเป็นผู้มีความภาคยัมีความอุตสาหพยายามมีความอดความทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องกํากับจิตและพยายามระมัดระวังรักษาจิตของตนที่จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างไรบ้างอยู่เสมอเลือกเซนอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดตรงนั้นมีได้สองอย่างส่วนมากหรือเป็นพื้นฐานความคิดตรงที่ออกมาจากกิเลสท่านเรียกว่าสังขารนี้เป็นสมุทยัย เป็นแดงที่จะผิดทุกขึ้นมาเผารลนจิตใจนั่นเองสังขารประเภทนี้ท่านเดียวสังขารฝ่ายยี่เล็กสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายธรรมเช่นสติปัญญาผิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมานี่สังขารนี้เป็นฝ่ายธรรมเป็นด้านปัญญาที่จะแก้ที่เหล็กซึ่งมีอยู่ภายในจิตดวงเดียวนั้นอุบายวิธีต่างๆผมก็ได้เคยอ บ, บรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลิขิตแม้แต่น้อยหนึ่ ง, งเลยกับหมู่เพื่อน ผมอบรมหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารจริงๆโดยโยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาระหว่างใจของเรากับหมู่เพื่อนใจของเราที่มีความต่อสแสวงหาต่อครูต่ออาจารย์อยากให้ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนไว้พอจะเป็นคนทักคนนึงใจจะบุญ จ, จะขาดไปจากตัวกลัวท่านไม่รับเมตตาอบรมสั่งสอนเอาไว้เมื่ออยู่กับท่านแล้วเหมือนจะเหาะะบินมีความาภาคภูมิใจ ฟังท่านพูดอะไรนี่ฟังเอาจริงๆจังๆเหมือนกับอัดเทปไว้ภายในจิตใจเลยฟังได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีหุดมีขาดตกบกท่องไปตรงไหนไม่มีเรียราดไปไหนฟังซึงซ้งซึ้งซึ้งเข้าภ า, พานภายใจิตใจหมดเวลาเรารองไปตามธรรมเทศนาของท่านที่เทศผ่านไปแล้วอยู่โดยลําพังคนเดียวมันจะซึ้งไปโดยลําดับลำดับจําได้ทุกแง่ทุกมุมไปเลยเพราะความตั้งใจสนใจมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆ เราก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นความจําไม่ทราบว่าจะพูดอะไรให้เหมาะสมกับนั้นมันซึง้งซึงมันเลยติดไปเลยติดไปเลยเหมือนกับเสียงติดเทกนั่นเองแหละมีด้วยความตั้งใจมีเวลามาเป็นครูเปราจำสอนหมู่คณะก็มาด้วยความได้เป็นด้วยความจําเป็นไม่ได้เป็นด้วยความสมัครใจแต่ว่าจีดว่าจางต่อหมู่เพื่อนหรือต่อประชาชนน่าดง เราก็ายอมละเราเห็นการดูคนเดียวเป็นความสะดวกสบายตามกระแสสายของตนเพราะไม่มีอำนาจวาสนามากมมาอะไรพอที่จะคิดแนะนำสั่งสอนใครต่อใครแต่คั้นแล้วก็คนนั้นมาเสกมาสรรให้เป็นคูผู้ใหอาจารย์เรื่อยมามีผู้มาเกี่ยวข้องทั้งพระทั้งเล น, นทั้งแต่ท่านอาจารย์มัน่นมรณะผ้าไปทีแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ขาดว่าขาดตอน ล, ลังเลกันมาทั้งพระทั้งเล น, นทั้งประชาชนจําเป็นต้องได้ให้การอบดม สั่งสอนเพราะคิดเห็มใจของเราที่เคยสอบแส่งหาครูหาอาจารย์นั้นจนแทบใจจะหลุดจะขาดไปจากตัวมู่เพื่อนอุ่ง ม, มีความหิวความกระหายต่ออัดต่อรมก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้นี่จึงได้ปรองใจอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเมื่อได้ปรองใจลงแล้วก็ปรองจริงๆตั้งใจสอนตามเหตุตามผลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายเหตุเป็นอย่างไรตนได้ดําเนินอย่างไรอย่างไรมา และผลปรากฏขึ้นมีแง่หนักเบามากน้อยอยากละเอียดแค่ไหนก็เคยได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนไม่มีปิดบังนี้รับหมดไม่มีเหลือภายในหัวใจอันนี้หากไม่จะไม่พอจะเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนได้ยึดติดถือว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วทำมากที่จะให้เลยนี้ไปสาหรับที่จะมาสั่งสอนหมูหม่เพื่อนอีกนั้นผมยอมรับว่าผมหมดเมื่อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลือหาหมู่เพื่อนไม่ตั้งใจประเภทปฏิบัติ หมดจริงๆหมดเนื้อหมดตัวจริงๆให้พูดยิ่งกว่านี้ไปไม่ได้เพราะรู้เท่านั้นปฏิบัติมาก็ความสามารถขนาดไหนก็แล้วให้ฟังแล้วแบบเต็มท่านเท่านั้นควาสามารถเต็มภูมิเท่านั้นความรู้ก็เต็มภูมิเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลโม่เพื่อนจะถ้าพอถือเป็นกติตัวใจเป็นสิ่ิมุงคลจก่ตัวท้ลนได้ว่าเป็นการถูกต้องดีงามแล้วก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ และคนหน่าจะสนใจประพฤติปฏิบัติเตึงวิติกำลังความสามารถของตนไม่เห็นสิ่งอื่นใดที่มีความสำคัญยิ่งกว่าการบำเพ็ญธรรมเพื่อความอุดพ้นหรือการประพฤติปฏิบัติอย่างเด็ดเดียวอาห า, านชานไฉสมกับว่าเป็นลูกตถาคตไม่ยอมแพ้อะไรแต่เพราะอย่างยิ่งก็คื อ, อี่เลยไม่ยอมแพ้เป็นเด็ดขาดเอาให้ชนะไปได้โดยลำดับลำดับทุกสิ่งทุกอย่าง ขึนที่ว่ากิเลสแล้วมันมีกําลังบังทา ง, างมันเป็นเครื่องหลอกไปในตัวให้้ติดใจด้วยกันทางนั้นไม่ว่าความโลภเกิดขึ้นต้องติดจนได้มันมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวของมันมีโลภมีชาติอยู่ภายในตัวของความโลภความโกรธมันก็มีโลภมีชาติอยู่ภายในตัวของมันเพราะฉะนั้นฉัดโลกจึงต้องติดโกรธพอใจโกรธพอใจโลภพอใจหลงพอใจรักพอใจฉัำ ไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นไผ่เพราะมันกล่อมได้สนิทเนื่องจากกิ่เหลือนี้เป็นสิ่งที่แหลมคมมากใ น, ในายโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากี่เหลืเพราะฉะนั้นจึงได้ขึ้นครองใจของธัตุโลกทีนี้กิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นจอมขสัตว์วัตจักร ค, ครองหัวใจสัตว์โลกอยู่นี้ จะพังทลายลงได้โดยไม่มีเหลือเลยนอกจากทำแล้วไม่รรมีทำก็คือมัธิมาปฏิปทาเป็นสำคัญนี่กิเลสทุกประเภทกลัวมากที่สุดเพราะกิเลสเคยได้ตายเพราะศาสตราอาวุธประเภทนี้แล้วมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ปราบกิเลส ให้ลาบลงไปชิ้นซากไม่มีเหลือเพราะมัชฌิมาปฏิปทาแบบฉบับเดียวกันนี้ทั้งนัง้นไม่มีแบบอื่นแบบใดมาปราบกิเลสให้หมอบราบไปได้นอกจากหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเหมาะสมอย่างยิ่งตลอดมานี้เท่านั้นนี่เมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติเหตุได้กิเล ส, เลสจึงจะมาทนลตัวได้ถ้าเราไม่หมอบครานหัวเข้าไปให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเท่านั้นด้วยความขี้เกียจขี้ค้างด้วยความเหงื่อแก่ปากแก่ท้องเห็น่อแก่หลับแก่นอน เห็นแก่อยู่แก่แ ก, กิงเห็นจากความอ่อนแอเห็นจากความซับเพ่ามักง่ายไม่เห็นจากความเป็นอัดเป็นธรรมความจริงความจังในจิตการทั้งหลายทั้งภายนอกภายในพอกิเลสจะได้ตัวบ้างนี่ให้ข้อใช้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทางา น, นแล้วปฏิบัติหัวใจเราดูหัวใจเราทําไมจะมาทราบว่ามันเคลื่อนไหวไ ป, ไปทางถูกและทางผิดเป็นไปได้หรอถ้ามีสติปรรัญญารักษาตัวอยู่แล้วต้องทราบความเคลื่อนไหวของใจที่เป็นไปทางถูกและผิดได้เป็นอย่างด สติปัญญาสําคัญมากเราไม่เคยปล่อยวางพูดคาไหนอยากจะพูดเรื่องสติเรื่องปัญญานี้อยู่ตลอดเพราะนี้เป็นสําคัญเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เดียว mm hmm. ิเรตหลุดลอยไปไม่หลุดรอยจากอะไรศรัทธาความเพียรเหล่นั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นสเสบียงสนับสนุนให้ทางนี้มีกําลังสต mm ิป hmm. ัญญาเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกพิเรตทุกประเภทม mm ัน hmm. นอกเหนือไปได้เลย mm hmm. สมาธิ ตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเหมือนกับว่าไล่กิเลสเข้ามาสู่จุดรวมปัญญาเป็นผู้คี่คลายออกฟันออกทําลายทีละตัวสองตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่กิเลสชนดับยากตัวใหญ่ๆเหนือกว่าตัวหยากๆลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดสุดถึงราชาของกิเลสกษัตริย์วัตจักรของกิเลสได้แก่อวิชชานั่นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุด ก็ไม่พ้นที่มัจมาปฏิบัติอ่านเป็นธ ร, รมละเอียดยิ่งที่สุดปราบให้เรียบราบไปเช่นเดียวกันนั้นจึงไม่มีกิเลสตัวใดที่จะอาบหารต่อตอัตตธรรมของพนทชาวได้ถ้าเรามานำมาประพฤติปฏิบัติเหตุใดจะไม่รู้อ่านมาทำไมอ่านหนังสืออ่านแต่ชื่ออ่านสมาธิใครอ่านก็ได้ชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาใครอ่านก็ได้ ชื่อของมิมุตความบุดพ้นใครอ่านก็ได้ชื่อของกิเลสตัณหาสวะประเภทต่างๆใครอ่านก็ได้ใครจําจก็ได้ชื่อของอัดของทำตั้งแต่ต้จนจนมะขุนนิพพานใครอ่านก็ได้ใครจําก็ได้ไม่สําคัญอะไรนักถ้าไม่ปฏิบัติถ้าการปฏิบัตินั่นแหละเพราะท่านสอนให้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนรู้ชื่อของมันแล้วให้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติท่านก็สอนไว้แล้วจะ อ, อะไรปฏิบัติ ทำอะไรลงไปไม่พ้นสติท <im> <ky and> <els> <era> um. to ี่จะต้องตามเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ต้องให้มีสติอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆเหรือจะกำหนดอนาปานสติก็ตามลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสติสัมบัตสัมพภารุนั้นไม่ต้องไปคาดหมายเรื่องมรรคผลวิภามทีจะเกิดขึ้นมาในการใดสมัยใดเวลาใดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดไม่ต้องไปคิดเไปคาดให้เผลอตัวจากงานที่กําลังทําอยู่ด้วยสตินั้นจิตต้องสงบไปได้ไม่พ้น สติเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อใจได้สงบสติเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยได้ดีถ้าเผลอสติเมื่อไรแล้วโจนผู้ร้ายได้เกิดที่เด็ดธนาซะามันต้องถุดลากเอาไปยำจนแหลกด้วยเหตุนี้สติจเป็นของสําคัญถัดจากนั้นพอจิตมีความสงบร่มเย็นลงไปพร้อมมีเป็นปากเป็นทางแห่งความคิดอ่านทางด้านปัญญาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกดูธาตุดูขันธ์อนะิจฉะภายในตาหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วเรียกว่ากาย ดูทั้งภายในภายนอกดูทั้งแต่หนังเขาไปหาเนื้อหาเอ็นหากระดูกหากภายในลึกๆดูไปหมดเต็มไปด้ยวยของประิษคูณโสโคกหนีปัญญาสอดแชกเข้าไปสอดแชกเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่จำนี้ํานานรละซึ่งพายในจิตใจแล้วทนไม่ได้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนี้พระจะพิจารณาว่าธาตุก็สับแต่ว่าธาตุดินเราดูเอาสิเดียบไปไหนก็มีแต่ดินหน่ารักหน้าชางังน้าโกรธน้าเกลียดมันที่ตรงไหนกว่าดินที่เฉย น้ำเขาเราก็เห็นนี่แล้วภายในร่างกายของเรามันก็มีธาตุดินส่วนที่เป็นแข็งแข็งทั้งเรียกธาตุดินเช่นผมขนและฟันหนังเป็นต้ น, นเรียกว่าธาตุดินท่าน น, น, าน้ำเกาเช่นน้ําลายน้ําเหลือเป็นต้นเนี่ยน้ำเขาสับแต่ว่าน้ํามันน่ารักน่าชังน่าเกลียด น, น่ากดที่ไหนถ้าพิจารณาให้ซึ้งตามความจริงของความมีอยู่ความเป็นอยู่ความจริงอยู่ของเขาแล้วใจของเราก็จริงค่ะเพราะใจของเราเป็นผู้หลงไปสําคัญมั่นหมายว่า ดินเป็นตนธาตุดินเป็นเราธาตุดินเป็นของเราธาตุน้ําเป็นเราธาตุน้ําเป็นของเราลมก็เป็นขี้นลมหายใจเป็นต้นเราก็เคยรู้กัอยู่ตลอดเวลาไอ้ลมเป็นยังไงมันน่ารักน่าชังน่าเกลียดน่าโกรธที่ไหนลมหายใจทําไมหลงใฟ้ธาตุไฟเราก็ใช้หุงต้มตลอดเวลาไฟไฟภายในร่างกายเราทําไมมาหลงว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่โงูจะจนเกินไปที่จะนัยเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ดูสิจะเป็นยังไงจะหาที่ค้านโพงได้ยังไง มืพิจารณาซ้ำๆซักๆคุ้เยเคายขุดคน้นดูหลายครั้งแลายหนก็ค่อยแจ้งออกมาแจ้งออมาสว่างออกมาถึงความจริงเข้าไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนในส่วนด้านการแล้วสลัดปุ๊บเดียวพึชเดียวหายเลยหมดไม่มีเหลือจะเคยถือมายึดมัน่นถือมัน่นมาเป็นตนเป็นของตนมาตั้งกับตั้งการก็เถอะถ้าลงสติปัญญาได้อย่างทราบให้ตลอดทั่วถึงอย่างซึ้งใจแล้วยังไงก็ทนต่อไปไม่ได้ก็มันเป็นธาตุนี่ไม่ใช่เราถือมันไว้ทํำไม น, นั่นเวลารู้ชัดชแล้วทนไม่ได้มันต้องปล่อยอืมนีมม่พิจารณาร่างกายพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ า, านั่นกําหนดทําลายลงไปในแตกมืให้ปู พ, พองน้ำหนองไหลเยิ้มไปหมดตมเต็มทั้อองาคนร่ากายนี่เป็นเรื่องอสุภะอสุผังน่าเกลียดเมือแล้วน่าอิจฉาราอาใจเป็นหน่ายึหน้าถือน่ารักมันยังไงจากนั่นกระจาลยลงไปเมื่อเป็นธาตุ ดินก็เป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจมันก็เป็นใจอย่างนี้มันไปหลงเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงพิจารณาเพื่อให้ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้หลงต้องคลี่คลาให้ใจดูให้เห็นตามหลักความจริง ด, ด้วยปัญญาใจก็ถอนตัวเข้ามาในขั้นร่างกายเป็นอย่างนี้พิจารณาซ้ำๆซักๆในเวลาที่เราพิจารณาเอาจริงเอาจังจริงกับการพิจารณาไม่ต้องไปห่วงในเรื่องความสงบสมาธิของใจ เวลาทํางานแต่เวลาหยุดงานเพื่อเข้าสู่ความสงบเพื่อเอากําลังบางชาที่จะออกไปทํางานเพื่อผลประโยชน์ต่อไปแล้วก็ต้องพักในสมาธิด้วยความสงบไม่ต้องห่วงเรื่องของปัญญาเรื่องหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดไม่ต้องห่วงนั่นทงานเป็นรากเป็นตอนวาลาใดเป็นงานของสมาธิที่จะให้ความสงบวาลานั้นต้องทําให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องของสมาธิจริงๆไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามาแทกมา ย, า, ายุ่งเหยิงวุ่นวาย มันแต่ก้าวกายกันเพราะจิตมีความสงบได้กําลังบังคาญได้ถอยออกมาจากนั้นกับพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้มันแหลกละเอียดไปหมดสกุลกาทของเราและทั่วโลกกระถางดินแดนอันนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกจากกันเป็นเหมือนกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ของเรานี้ทุกชิ้นทุกอันทั้งของเขาของเราเปรียบเทียบกันได้หมดทุกสัตว์ทุกส่วนจะเรียกว่าโลกวิถีจะผิดที่ตรงไหนรู้แจ้งโลกทั้งโลกนอกก็รู้อย่างเดียวกันนี้ทั้งโลกในก็รู้อย่างเดียวกันนั้น เห็นดูแจง้งเห็นชัดแล้จิตใจก็ปล่อยความมาปล่อยแล้วก็หมดแล้วเรื่องความปดท่วมตัวเองอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับตะปูที่ตีจับไม้ไว้อย่างแน่นนั่นเองถอนออกมานั้นให้ไม้มันดีบถึงขึ้นมาใจก็ดีบถึงขึ้นมาเลยพอหมดอุปทานแค่เท่านั้นใจก็ดีบตัวขึ้นมานี่เป็นส่วนยากร่างกายต้องใช้ปัญญา พิจารนาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนนี้แล้วก็ปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นไม่ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราแม้จะอาศัยกันอยู่ก็สักแต่ว่ารับรู้เท่านั้นเองไม่ยึดเวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตหรือภายในร่างกายมันก็สักแต่ว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ระดับไปนี่เป็นสภาพของมันอย่างนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยม ลักษณะเช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันไรเกิดขึ้นอันนั้นตั้งอยู่แล้วดับไปดับไปดับไปเหมือนกันหมดไม่ว่าดีว่าชั่วว่ากลางๆว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆมันมีความเกิดขึ้นดับไปดับไปสัญญาคือความจําได้หมายรู้เราก็จำมาจากเท่าไหร่แล้วมันเป็นสาระอะไรแต่พะมันลืมไปหมดจําแล้วมันก็ลืมไปลืมไปสัญญาว่าสารวิมหิตมันเป็นของแน่นอนพอจะถือเป็นเราเป็นของเราไว้เนื้อไว้ใจได้อย่างไรเอ็นญาน สวารับทราบเวลาตากระทบรูกหู ก, กระทบเสียงจลิ่นวัเพื่องสัมผัสกระทบกันกับทางตาหูถึงริ้งกายของเรานี้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกับหิ่งห้อยเสียงหิ่งห้อยย้มแยๆแ ย, แ ย, แ ย, แ ย, แย้แล้วพอสิ่งสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปพร้อมๆเอาสาระประโยชน์อะไรกับมันมันมีแต่อาการของความรู้ทางหลังนนแล้วมาตื่นทำไมตื่นเงาเหล่านี้เป็นอาการของความรู้เป็นอาการของจิตเป็นเงาของจิตถ้าพิจารณาไม่รอบ ก็ต้องหลงเงาเนี่ะตื่นเงานี่ยยืดเงานี่แหละเรายังไม่เคยพิจารณาเลยก็ยืดเงานี้เป็นตัวของตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องเป็นาราวก่อขวนตัวเองอยู่ตลอดคนเรานั่งเฉยเฉยอยู่คนเดียวลองดูสิมันม่นั่งเฉยเฉยนั่นอ่ะมันนั่งก่อเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่เรื่องสังขารเรื่องสัญญามันปุงมันหมายผ่านเป็นอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่มือกี่วันมันไม่ไม่ได้เห็นว่าเป็นของเก่าแล้วมันจะต้องไม่เอี่ยมอยู่เสมอด้วยความ ตื่นความหลงสัญญาอารมณ์ของตัวเองวุ่นกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันดูดกับเรื่องอารมณ์บ้าๆบอๆทํ า, า, าทให้เจ้าของร่มหลงไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่ง น, นี้ให้ดูจริงเห็นจริ ง, รงด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็รู้เท่ารูปก็รู้เท่าสัญญาก็รู้เท่าสังขารก็รู้เท่าวิ ญ, ญญาณความรับทราบซึ่งแต่ละอย่า ง, า ง, างที่กล่าวมานี้เป็นเงาเป็นอาการของจิตทั้งนั้นรับทราบไว้หมดรู้เท่าทันหมด มีจิตได้เหลือนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นอย่างนี้พอรู้เท่าแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยนี่แหละเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญานี่ก็ฆ่าอุปทานเข้าไปเป็นทอดทอดแล้วเป็นขั้นเป็นตอ น, นไปฆ่าอุปาทานความยึดถือกายก็ฆ่าได้แล้วทําลายลงไปได้แล้วความยึดถือเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาตั้งขานดิน ญ, ญานจึ่งเป็นอาการของสิตก็ฆ่าไปโดยลำดับรู้เท่าไปโดยลำดับแล้วหนักนี่เรียกว่าฆ่ากิเลส ฆ่าด้วยสติค่าด้วยปัญญาศรัทธาความเปี่ยนสุดท้ายก็มันจะมีที่ไหนไม่มีที่ออกหากินแล้วจะหนีกิเลสอวิชชาไม่มีบริษัทบริวารจะออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะถูกตัดหมดจะไปะติดรูปเสียงกลิ่นด้วยเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดหมดไม่มีทางหากินแล้วอวิชชาก็ต้อง้อมต้องโซ่ใช่ไหมโซสัตั์โซเทติดแนบอยู่กับใจสติปัญญาอย่างลงไปที่ใจนั้นอีกววิจนาฟาดฟันหันแหลกลงไปในตรงนั้น โดยลักษณะรายลักเช่นเดียวกันไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นเราเป็นของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เราเคยพิจารณามาแล้วด้วยสติปัญญาอันแหลมคมสุดท้ายมันก็พังทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นนั่นแหละทำลายโลกกันธาตุทำลายความเกิดแก่เจิดตายของตนก็ทําที่นั่นทำลายเชื้อแห่งความเกิดตรงนี้แหละนี่แหละคือเชื้อแห่งความเกิดได้แก่อริชาปฏิยาสร้างธาราที่จะเกาะแขนงแตกก็จะกระจายไปมีสิ้นสุด ความ เ, เกิดแก่เก็บตายไปที่ไหนมีแต่ประชา้าของสัตว์ก็เพราะวิชายี้เป็นเชื่อเป็นอันสํางขัญเป็นต้นเหตุที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อทำลายนี้หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วมันก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ น, นั่นเองนั่นละที่นี่หมดเรื่องเรื่องกลมายาของกิเลสร้อแปดธรรมการที่เคยต่อสู้กันมาโดยลําดับหนับเป็นอันว่ายุติพอจิตได้หลุดพ้นจากสิ่งข้างหลายกิเลสเดินหมอบราบตายไปหายซากไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดมากวนใจ เราเห็นเป็นความสุขไหมเมืม่อเป็นเท่านั้นเวลานี้เราอยู่กับการก่อควรของกิเลสเรายัางเห็นว่าเป็นสุขอยู่เหลือ อ, อยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเรื่องก่อควรวุ่นดายวุ่นวายถูกกิเลสย่ำยีตีแหลกหมดทุกข์ทรมาน์ดลำบากลําบนไม่ว่าคนงูคนฉลาดคนมั่งมีคนจนต้องเป็นผู้ได้รับความทุกข์เพราะความหย่อมย่าทำลายของกิเลสทั้งนั้นเมื่อะไรฟาดฟันทันแหลกกิเลส หลุดลอยประจักษ์ปิดใจหมดแล้วใจเป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามายุ่งแยกก่ครอบครองอยู่แล้วแสนสบายไม่มีคำว่าการเ ว, เวลาเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีสมมุตินิยมอะไรทั้งหมดในสามโลกชาตินี้ไม่สามารถเข้าไปแทรกถึงใจได้เลยนั่นจึงว่าเป็นใจที่พอตัวเต็มที่เป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มภูมิของตนและอยู่ด้วยความผาสุกเพราะอํานาจแห่ง ความเพียรของเราที่ตะเกียบตะกายเลื่อนลุกครานมาบางครั้งถึงขนาดที่จะสลบเฉลีลยเพราะความทุกข์ก็ยอมทนต่อสู้กับกิเลสอา้าวกิเลสไม่ตายให้เราตายเอาไม่ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละตายดังพระพุเทธเจ้าสลบเพียงสามถึงสามผลแต่พระ อ, องค์ไม่ตายสุดท้ายก็กิเลสตายพระสาวกทั้งหลายลำบากระบนถึงขนาดไหนสุดท้ายก็กิเลสตายท่านไม่ได้ตายนี่เราทำไมจะกลัวตายยิ่งกว่ากลัวกิเลสตายความ กลัวจะของตายยิ่งกว่าการกลัวที่จตายก็คือกลัวที่เด็ดตายนั่นเองมันผิดกันอะไรพิจารณาเลยเอาเป็นเล่าปฏจจบัติใครจะกู้ศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนเรื่นี้พระพุทธเจ้าถอดออกมาจากหัวใจสั่งสอนโลกสงสารพระสาวกทั้งหลายถอดออกมาจากใจไปสั่งสอนโลกสงสารเา ม, ราามื่อมีจิรังอทาเท้าอเมทเมื่อการผ่านไปนานก็เห็นว่า ธรรมะนี่พูดที่จะทรงไหวด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเม็ดเป็นหน่วยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนอย่างแต่ก่อนน่าจะหมดไปจะแล้วแหละเลยต้องจดจารลึกกอาไหวไม่อย่านั้นคุณบุตรท้ายภายหลังจะไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของธรรมเลยสารธรรมนี้ก็ไม่มีเหลือจึงต้องจดจารลึกเวลาศาสนาผ่านมาตั้งหลายร้อยปีแล้วเราจาึงได้มาอ่านตามตำลับตำรานี่ก็พอเป็นกุญหมาป้ายทางให้เราได้พิจิตริสัญญาดีอยู่แล้วอย่างทุกวันถ้าไม่มีตำลับตำราเราจะอะไรมาปฏิบัตินั่น ตำหนักตำราดีขนาดไหนพิจารณาดูสิถ้าไม่มีตำหนักตำราเราจะอะไรมาเรียนเอาอะไรมาปฏิบัตินี่ท่านพระท่านได้ทำเอาไว้เพื่อเป็นกุลหมายประทานให้กุลวุฒิสุดท้ายภายหลังได้แก่พวกเราได้ยึดได้ถือดำเนินไปการตะพูดปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นมันก็เป็นมัธยมัยตลอดเวลาอีกเหมือนกันไม่มีคําว่าเดียวแหลมถ้าความภาพเคสไม่เดียวแหลมเสียต่า น, นั้นแต่ความอุตสาพยายามความตะพูปฏิบัติตามหลักธรรมเดียวแหลมนั้น ผลก็ต้องเดียวแหลงถ้าตั้งใจปรเพื่อปฏิบัติตามหลกักฐางสวาขคาถธรรมที่ตักไว้ชอบดีแล้วก็เป็นมชัชฌิมาอยู่ทั้งผลที่จะพึงได้ครับไม่มีอะไรสงสัยนี่ก็มีเท่านี้จะให้ผมพูดอะไรไปอีกก็หมู่เพื่อนหมดทูิสอนอย่างเต็มผูแล้วจะไม่เห็นโทษของยีเรศแล้วเราจะเห็นโทษอะไรดูใจจะของให้ดู มันเคลื่อนไหวมีแต่เรื่ อ, องอที่เอกธาเคลื่อนผ่าวไหวไม่ใช่ทํำพาเคลื่อนไหวอันทั้งลงไปมันก็รู้เองเนี่ยนักปฏิมา ต, ต้องรู้จิตของตัวเองจิต เ, เป็นนักโทษใครจะเป็นผู้รประคับประคองจิตนั่นไม่ค่าเสือขมาราดีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่สติปัญญาท่านนั้นไม่มีเขาให้กิ ง, งให้จังอต่อไปนี้ทำปัญญาิบายนมือกันนะ